กนาวามักหนึ่นิสังสทัตสาวีกถา 84. ว่าด้วยผู้เห็นอานิสงคือในนิพพาน547จักวาทีบุคคลผู้เห็นอานิสงคในนิพพานละสังโย์ได้ใช่ไหมประวาทีใช่จักวาทีบุคคลผู้มนานสิการทั้งขานโดยความเป็นของไม่เที่ยง ละสังโยชน์ได้ไมิใช่หรือปราวาทีใช่ักาวาทีหากบุคคลผู้มนานัสิการสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงละสังโยชน์ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เห็นอานิสง์ในนิพพานละสังโยชน์ได้จักกวาทีบุคคลผู้มนานัสิการสังขารโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นโรคโดยความเป็นฝีโดยความเป็นของเสียดแทง โดยความเป็นของลำเค็ญโดยความเป็นอาพาธโดยความเป็นดังสิ่งอื่นโดยความเป็นของเสื่อมโดยความเป็นเสเนียดโดยความเป็นเครื่องเบียดเบียนโดยความเป็นภัยโดยความเป็นอุปสรรคโดยความเป็นของหวั่นไหวโดยความเป็นของเปื่อยพังโดยความเป็นของไม่ยั่งยืนโดยความไม่เป็นที่ต้านทานโดยความไม่เป็นที่เร้นโดยความไม่เป็นที่พึ่ง โดยความไม่เป็นที่อาศัยโดยความเป็นของว่างโดยความเป็นของเปล่าโดยความเป็นของศูนย์โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นโทษโดยความเป็นสภาวะมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาและสังโยชน์ได้ม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาที หากบุคคลผู้มนัสิการสังขารโดยความเป็นสภาวะมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาละสังโยชน์ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าผู้เห็นอานิสง์ในนิพพานละสังโยชน์ได้สกวาธีบุคคลมนัสิการสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงและเห็นอานิสง์ในนิพพานใช่ไหมประวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธี บุคคลมนสิการสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงและเห็นอานิสงส์ในนิพพานใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีมีการประชุมแห่งภัตตะ2อย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีบุคคลมนัสิการสังขารโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นโรคโดยความเป็นสภาวะมีความแปรผันไปเป็นธรรมดา และเห็นอดิสง์ในนิพพานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลมนัสิการสังขารโดยความเป็นสภาวะมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาและเห็นอดิสง์ในนิพพานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งภัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 5้าสสิปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าผู้เห็นอนิสง์ในนิพพานละสังโยชน์ได้ใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระพุทมีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นว่าเป็นสุขหมายรู้ว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นสุขมีใจน้อมไปหนึ่งนืองสม่ำเสมอไม่ขาดระยะ มีปัญญาอย่างรู้ในนิพพานอยู่มีอยู่จริงวิเช่หรือสกวาตีใช่ปรวาตีดังนั้นบุคคลผู้เห็นอานิสง์ในนิพพานจึงละสังโยชน์ได้อานิสังสทัตสาวีกถาจบสองอมตารัมณกถา85ว่าด้วยสภาวธรรมมีอมตะนิพพานเป็นอารมณ์ ห้าร้อยสกวาทีสังโยตมีอมตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมประวาทีใช่จักกวาทีอมตะเป็นอารมณ์ของสังโยตเป็นอารมณ์ของคันทะเป็นอารมณ์ของโอคะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของนิวรเป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของสังกิเลตใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอมตะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ totally. ์ของคันทะไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสมิใช่หรือปรวาที <aslında> ใช่สกวาทีหากอมตะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสังโยชน์มีอมตะเป็นอารมณ์สกวาที ราคะปรารบอมตะเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอมตะเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นเหตุแห่งความกำนัดเป็นเหตุแห่งความใคร่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาเป็นเหตุแห่งความผูกพันเป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะ ไม่เป็นเหตุแห่งความกำนัดไม่เป็นเหตุแห่งความใคร่ไม่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาไม่เป็นเหตุแห่งความผูกพันไม่เป็นเหตุแห่งความหลงไหลไม่ใช่หรือปราวาทีใช่สักวาทีหากอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่เป็นเหตุแห่งความกำนัดไม่เป็นเหตุแห่งความใคร่ไม่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาไม่เป็นเหตุแห่งความผูกพันไม่เป็นเหตุแห่งความหลงไหล ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าราคะ espresso, ปรารบอมตะเกิดขึ้นสักวาทีโทสะปรารบอมตะเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอมตะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโทสะปรารบอมตะเกิดขึ้นสักวาทีโมหะปรารบอมตะเกิดขึ้นใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาธีอมะตะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะทำความไม่รู้ทำความไม่เห็นเป็นเหตุแห่งความดับสนิทแห่งปัญญาเป็นไปในฝ่ายทำลายปัญญาไม่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสใช่ไหมบรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีอมะตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะมิใช่ทำความไม่รู้ มิใช่ทำความไม่เห็นเพื่อกูนแก่ความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นไปในฝ่ายทำลายปัญญาเป็นไปเพื่อความดับกิเลสมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากอมะตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะมิใช่ทำความไม่รู้เป็นไปเพื่อความดับกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโมหะปรารบอมะตะเกิดขึ้น550ห้าิบ สักวาทีสังโยชตปรารบรูปเกิดขึ้นรูปเป็นอารมณ์ของสังโยตเป็นอารมณ์ของคันทะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีสังโยชตปรารบอมตะเกิดขึ้นอมตะเป็นอารมณ์ของสังโยชตเป็นอารมณ์ของขันทะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาตีราคะปรารภรูปเกิดขึ้นรูปเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นเหตุแห่งความกำนัดเป็นเหตุแห่งความใคร่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาเป็นเหตุแห่งความผูกพันเป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีราคะปรารภอมตะเกิดขึ้นอมตะเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปราวาที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 ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโมหะปรารบรูปเกิดขึ้นรูปเป็นที่ตั้งแห่งโมหะทําความไม่รู้ไม่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโมหะปรารบอมตะเกิดขึ้นอมตะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะทําความไม่รู้ไม่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีสังโยชตปราลบธรรมตะเกิดขึ้นอมตะไม่เป็นอารมณ์ของสังโยตไม่เป็นอารมณ์ของขันธไม่เป็นอารมณ์ของโอคะไม่เป็นอารมณ์ของโยคะไม่เป็นอารมณ์ของนิวรไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสังโยตปราลบรูปเกิดขึ้น รูปไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลตใช่ไหมปารวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะปรารพอมตะเกิดขึ้นอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่เป็นเหตุแห่งความกำนัดไม่เป็นเหตุแห่งความใคร่ไม่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาไม่เป็นเหตุแห่งความผูกพันไม่เป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีราคาปรารบรูปเกิดขึ้นรูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคาไม่เป็นเหตุแห่งความหลงไหลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโทสะปรารบอมตะเกิดขึ้นอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาทีโทสะปรารพรูปเกิดขึ้นรูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระทั่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีโมหะปรารพอรมตะเกิดขึ้นอมตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหามิใช่ทำความไม่รู้เป็นไปเพื่อความดับกิเลสใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาที โมหะปรารลรูปเกิดขึ้นรูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะมิเทตมความไม่รู้เป็นไปเพื่อความดับกิเลสใช่ไหมปรารวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าห้าสิบเอปารวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าสังโยตมีอมะตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมักกาวาทีใช่ปรารวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ผู้ทุชนหมายรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานครันหมายรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วจึงกาหนดหมายนิพพานกำหนดหมายในนิพพานกำหนดหมายในความเป็นนิพพานกาหนดหมายนิพพานว่าเป็นของเรายินดีนิพพานมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสักวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นสังโยชนึงมีอมะตะเป็นอารมณ์ได้ อมตารัมมานกถาจบสามรูปังสารมานันติกถาแปหว่าด้วยรูปที่รับรู้อารมณ์ได้ห้าห้าสักวาทีรูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีรูปนั้นมีความนึกถึงความผูกใจความสนใจความใฝ่ใจ ความจงใจความปรารถนาความตั kill, you, tree, ly, creator, ้งใจใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นศักาวาทีรูปนั้นไม่มีความนึกถึงไม่มีความผูกใจไม่มีความตั้งใจมิใช่หรือปราวาทีใช่ศักาวาทีหากรูปนั้นไม่มีความนึกถึงไม่มีความผูกใจไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า รูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้สกาวาทีพัสสะเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความตั้งใจใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีรูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความตั้งใจใช่ไหมปะรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาจีเวทนาสัญญาเจตนาจิตสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนะอุทจจะอหิวริกะอโนต ป, ปะเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึง มีความผูกใจมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความผูกใจไม่มีความตั้งใจใช่ไหม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 สกวาตีเวทนาอนตุตตะปะเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความผูกใจไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าห้าสาปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมสกวาตีใช่ ปรวาทีรูปมีปัจจัยไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากรูปมีปัจจัยดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้รูปังสารมมนันติกถาจบ 4. อนุสยาอนารมณกถา87ว่าด้วยอนุสัยรับรู้อารมณ์ไม่ได้ ห้าอน um no. exactly. <Yes. S 2> totally. ุสยัยเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนุสัยเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายะตนะเป็นโพธพายะตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคานุสัยเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาทีกามราคะกามราคะปริยุทธฐานกามราคะสังโยชน์กาโมคะกามโยคะกามฉันทนิวรนเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกามราคะกามราคะปริยุทธฐานกามราคะสังโยชน์กาโมคะกามโยคะ กามฉันทนิวรณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ักกวาทีกามราคานุใสเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีกามราคานุใสเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที นับเรื่องในขันไหนปรวาทีนับเรื่องในสังขารขันสกวาทีสังขารขันเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสังขารขันเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขัน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 ักวาทีกามราคะนับเนื่องในสังขารขันเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขัน เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้แต่การมาราคะนับเรื่องในสังขารขันเป็นอารมณ์ที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีสังขารขันส่วนหนึ่งเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาที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 ห้าห้าสิกวาทีปฏิคานุสัยค า, านุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยภวราคานุสัยอวิชานุสัยเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีอวิชชาอวิชโชคะอวิชชายชคะอวิชานุสัยอวิชชาปริยุทธาน อวิชชาสังโยอวิชชานิวรเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักกวาทีอวิชชาอวิชโชคะอวิชชาโยคะอวิชชานิวรเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอวิชชานุสัยเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชานุสัยเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนับเรื่องในขันไหนปรวาทีนับเรื่องในสังขารขันสกวาทีสังขารขันเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที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 เวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันส่วนหนึ่งเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อีกตัวหนึ่งเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยห้าสิบกปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอนุยัยเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาที พุทธชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและเป็นอัพยากฤิตรกำลังเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่าเป็นผู้มีอนุสัยใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอนุสัยเหล่านั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นอ น, อนุสัยจึงเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ ปรวาทีปุทุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิกกำลังเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่าเป็นผู้มีราคะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีราคะนั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาที ดังนั้นราคะจึงเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อนุสยาอนารมณะกถาจบ 5. ้ายานังอนารมนันติกถา88ว่าด้วยยานที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้5้าห้าสักวาทียานเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาที ยานเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายะตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานเป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัญญาปัญญินสีปัญญาภละสมาธิฏฐิธรรมวิทยะสัมโพชง เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปัญญาปัญญินรีปัญญาภะสมาธิฏิธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทียานเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีนับเรื่องในขันไหนปราวาทีนับเรื่องในสังขารขันสักวาทีสังขารขันเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ปรวาทีใช่จักกวาทีปัญญานับเนื่องในสังขารขันเป็นสภาวธรรมที่ ร, รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปัญญานับเนื่องในสังขารขันเป็นสภาวธรรมที่ ร, รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที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 เวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขัน <vend> ส <pien 72 transition>. ่วนหนึ่งเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าห้าสปดปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าญาณเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาที พระอาหารหันต์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจกักขุวิญญาณท่านยอมรับว่าเป็นผู้มีญาณใช่ไหมสกวาธีใช่ปรวาทีญาณ น, นั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นญาณจึงเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ ปรวาทีพระอาหารหันต์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจกุวิญญาณท่านยอมรับว่าเป็นผู้มีปัญญาใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปัญญานั้นเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นปัญญาจึงเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ ญาณังอนารมนันติกถาจบ6กออตีตารมณกถา89ว่าด้วยจิตมีอดีตทำเป็นอารมณ์ห้าห้าส ก, กวาทีจิตที่มีอดีตทำเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปราวาทีใช่ส ก, กวาทีจิตมีอดีตทำเป็นอารมณ์มิใช่หรือ ปราวาที Gloria. ใช่สกวาทีหากจิตมีอดีตทำเป็นอารมณ์ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตที่มีอดีตทำเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้คำของท่านที่ว่าจิตที่มีอดีตทำเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้จึงผิดก็หรือว่าหากจิตเป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า จิตมีอดีตทําเป็นอารมณ์คําของท่านที่ว่าจิตที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้แต่มีอดีตทําเป็นอารมณ์จึงผิดักวาทีจิตที่มีอดีตทําเป็นอารมณ์เป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมประวาทีใช่จักกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารบอดีตมีอยู่ไม่ใช่หรือ ประวาทิใช่สักวาทีหากความนึกถึงความตั้งใจปรารภอดีตมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตที่มีอดีตทำเป็นอารมณ์เป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อตีตารัมมณกถาจบ 6. ขออนาคตารัมมากถาว่าด้วยจิตมีอนาคตทำเป็นอารมณ์ห้าหส สักวาทีจิตที่มีอนาคตทำเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีจิตมีอนาคตทำเป็นอารมณ์ได้มิใช่หรือประวาทีใช่สักวาทีหากจิตมีอนาคตทาเป็นอารมณ์ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตที่มีอนาคตทำเป็นอารมณ์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 เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารบปัจจุบันมีอยู่จิตที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจปรารบอดีตมีอยู่จิตที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์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 อารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตไม่มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากอารมณ์ที่เป็นอดีตทำและอนาคตทำมไม่มีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตที่มีอดีตทำและอนาคตทำเป็นอารมณ์เป็นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อน า, าคาตารมณกถาจบ วิตกานุปติตกถา90ว่าด้วยจิตเนื่องด้วยวิตกห้าสกวาทีจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิจารณเนื่องด้วยปีติเนื่องด้วยสุขเนื่องด้วยทุกข์เนื่องด้วยโสมนัสเนื่องด้วยโทมนัสเนื่องด้วยอุเบกขาเนื่องด้วยศรัทธา เนื่องด้วยวิริยะเนื่องด้วยสติเนื่องด้วยสมาธิเนื่องด้วยปัญญาเนื่องด้วยราคะเนื่องด้วยโทสะเนื่องด้วยอนตุตตะปะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กาวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์มีอยู่ไม่ใช่หรือ ปรวาทีใช่สกวาทีหากสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกสักวาทีจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาที e ใช่สกวาที หากสมาธิที่ไม่มีวิตกไ ม, ไม่มีวิจารมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตกสักวาทีจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิต ก, ก, ต ก, ววตกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมา ธ, มาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไปสามอย่างคือ 1. สมาธิที่มีวิตกมีวิจารณ์ 2. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร สมสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาธีหากสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไ้สามอย่างคือ 1. สมาธิที่มีวิตกมีวิจารณ์ 2. ส, สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ 3. ส, สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตทุกดวงเนื่องด้วยวิตก วิตา ก, า, ต า, ก, า, ต า, การุปติตกถาจบแปดวิตกกวิปปารัสัตถกถา91ว่าด้วยความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียง563สักวาทีทุกครั้งเมื่อตรึกอยู่ตรองอยู่ความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียงใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาที ทุกครั้งเมื่อถูกต้องอยู่ความแผ่ไปแห่งปัตสะเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อเสเวยอารมณ์ความแผ่ไปแห่งเวทนาเป็นเสียงทุกครั้งเมื seja, ่อจำได้ความแผ่ไปแห่งสัญญาเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อจงใจอยู่ความแผ่ไปแห่งเจตนาเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อคิดอยู่ความแผ่ไปแห่งจิตเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อระลึกอยู่ ความแผ่ไปแห่งสติเป็นเสียงทุกครั้งเมื่อรู้อยู่ความแผ่ไปแห่งปัญญาเป็นเสียงใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทุกครั้งเมื่อตรึกอยู่ตรองอยู่ความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียงใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียงที่พึงรู้ด้วยโสตวิญญาณ กระทบที่โสตะมาสู่คลองแห่งโสตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความแผ่ไปแห่งวิตกไม่เป็นเสียงที่พึงรู้ด้วยโสตะวิญญาณไม่กระทบที่โสตะไม่มาสู่คลองแห่งโสตะมิเช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากความแผ่ไปแห่งวิตกไม่เป็นเสียงที่พึงรู้ด้วยโสตวิญญาณไม่กระทบที่โสตะ ไม่มาสู่คลองแห่งโสตะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทุกครั้งเมื่อตรึกอยู่ตรองอยู่ความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียงวิตกะวิปปารสัตธกถาจบ